เราอยากให้จิตใจของหมูเพื่อนได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมตามที่ท่านแสดงไว้ด้วยหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วไม่ได้มาพูดเป็นลมๆแง้งๆเฉยๆพูดออกมาจากความรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์จริงๆในบรรดาธรรมทั้งหลายเริ่มแต่สมาธิขึ้นไป เป็นขั้นขั้นของสมาธิคือความละเอียดแห่งความสงบและเป็นขั้นขั้นของปัญญาละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับจากนั้นก็ถึงขั้นนิ้มมุดหลุดพ้นซึ่งไม่นอกเหนือไปจากเทาว่าที่ทรงส่องสอนไม่แล้วนี่เลยพวกเราที่ปฏิบตัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ตามความรู้สึกของตนทำไมจึงไม่สัมผัสสัมพันธ์ธรรมที่แสดงไว้ทั้งเหตุทั้งผลซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่แยกกันไม่ออกนอกจากจากการประพฤติปฏิบัติมันเผลอออกนอกลูก่นอกทางไปเสียโดยความทั้งเผลอหรือความอดแอของเจ้าของเองไม่เข้มงวดขวดขันในการปฏิบัติตัวเองด้วยสติเป็นสําคัญ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 ท่านเอาจริงเอาจังท่านมาทำเล่ๆรอนๆทุกเลขโลเลเหมือนพวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติกันอยู่เวลานี้ถึงผู้อบรมสั่งสอนก็ออกจะแตกเพราะสอนด้วยความจริงใจจริงๆไม่ได้สอนเล่นๆการสอนนี้ก็สอนด้วยความแน่ใจด้วยไม่ได้สอนแบบรูปคำคำเราพูดอย่างเต็มปากด้วยความจริงใจของเราที่เป็นที่รู้ที่เห็นมาอย่างนั้นทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผล เราจรึงกล้าพูดทุกแง่ทุกมุมในธรรมทั้งหลายให้ผู้มาศึกษาอบรมได้เข้าใจอย่างถึงใจแล้วนําไปเวทปฏิบัติอย่างถึงใจการรู้เห็นธรรมอันเป็นฝ่ายผลก็จะได้รู้เห็นธรรมอย่างถึงใจเป็นลําดับลําดับไปนี่เป็นอย่างไรตื่นข่าวกันมาอะไรบ้างนี่หลางลายกันมาไม่ได้เหตุได้ผลเดี๋ยว อง น, นั้นมาเดี๋ยวอง น, นี้มามากำเห็นได้เหตุได้ผลเก่งๆก้างๆมีกีรายเข้ามาต้องขวางตาทุกรายทุกรายไปแม้ที่สุดการเดินบินทาบาทเท่านั้นก็ยังขวางตาแสดงว่าเห็นแล้วว่ามันขวางมาตั้งแต่เมื่อไรเหมือนกับไม่ได้บวชเข้ามาอบรมศึกษาอันไรเลยดูเฉยๆกินเฉยนอนเฉยๆเอาเพศ นัานมาเป็นมอกผลนิพพานได้อย่างไรถ้าไม่ใช่การประพฤติปฏิบัติํจาจัดยิเลศซึ่งเพิ่งเพื่องรกรุงรังขวางหูขวางตาขวางใจตัวเองและคนอื่นอยู่ภายในตัวนั้นเท่านั้นไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรมือชา้านก็เดินดุพระเดินเก้งๆกลางๆขวางหน้าขวางหลังอย่นั้นจะไปก็ไม่ไปทั้งท่าที่ไม่ใช่พระแต่พระชลาค้ำค้าอะไรพอจะเดิน ให้ท่านหมู่ทันเพื่อนไม่ได้นี่แหละที่มาลายไหนมามันก็ขวางอย่างนี้อหมู่เพื่อนเดินไปถ้ามาศึกษาก็ดูก็แล้วนี่ไปยังไงก็เดินไปตามท่านก็แล้วกันจําเป็นยังไงต้องให้พูดให้ว่ากันหมื่เช้านี่สองห น, นมีกี่รายมันต้องขวางทุกอย่างเลยทุกรายนั่นแหละกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยกันได้นี่แทบเป็นแทบตายดู ห, หัวใจตัวใบที่บินทบาท มองดูอะไรหัวใจมันเป็นยังไงมาปฏิบัติก็เพื่อจะรักษาใจใจเป็นอะไรจิงต้องรักษามันมีอะไรอยู่ภายในนั้นมีแต่พิษแต่ภัยเต็มหัวใจคิดออกมาในเงี้ยใดมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาหรือว่าเครื่องรบคุมดังกว้านเข้ามากุ้มลุมจิตใจพอลุมจิตใจให้เดือดร้อนตลอดเวลายังไม่เห็นโทษของมันแล้วจะไปเห็นโทษที่ไหนหรือจะโยนให้พระในครั้งพุทธกาล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 ไม่มีในโลกนี้ใครจะไปยินดีรับของไม่เป็นท่าให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นสาระแก่สานมีแต่มูดแตกขูดเต็มหัวใจของเราแสดงออกในแง่ใดก็มีเแิดออกมาแต่ของโศกผูกโสมมผลปรากฏขึ้นมาเป็นความทุกข์ร้อนจะให้กนดื่นมารับได้อย่างไรใครจะยินดีรับหากว่าเป็นของรับได้ก็ดี แต่นี้เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครมารับได้เพราะกฎหลักธรรมชาติมันอยู่กับตัวเองผู้สร้างผู้ทาขึ้นมามาตั้งใจศึกษาของศึกษาที่ตามีอยู่หูมีอยู่มีไว้สำหรับอะไรตาดูหูฝังใจคิดให้ได้เหตุได้ผลจากการมาศึกษาอบรมจริงจริงยิ่งชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษามาเด่นเดินดันด ไ, ได้เรื่องได้ลาวใครทำอะไรก็ดูอยู่เหมือนตาไม้ไข่นี่มันหูกระทอไม่สนใจหูกระทอหูกระทะจะเกิดประโยชน์อะไรแล้วมาเรื่อยๆให้หนักใจเปล่าๆมาจีดมาขวางมากดมาถ่วงกันอยู่นั่นแหะเจตนาไม่ไม่มีเจตนาก็ไม่สาคัญสําคัญที่มันผิดต้องเป็นผิดหนักต้องเป็นหนักอยู่นั่นนหะขว้างต้องเป็นขวาง สิ่งไม่ดีต้องไม่ดีให้เห็นอยู่นั่นเองแสดงให้เห็นพื้นหรือภูมิของตัวเองพื้นเพที่เคยเป็นมาเป็นยังไงมาประกาศนั่นแหละที่มากรีดมาขวางเก่งๆ ก, งก่างๆเหมือนนั่นนหะภูมิของตัวพื้นเพกของตัวเองไม่เคยสนใจไม่เคยเอาไหนกับอะไรเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกับหมู่คณะผู้ตั้ง อ, อกตั้งใจมันก็มากรีดมาขวางหมู่เพื่อน ให้รับความลำบากลำบนจะพูดอะไรก็พูดยากนั่นแะถ้าสิ่งไม่ดีมันขวางให้รู้ไหมพากันรู้แล้วอย่างถ้าสิ่งดีแล้วไม่ขวางพูดออกมาก็ไม่ขวางหูกิยาการแสดงออกทุกอาการที่จะมองเห็นด้วยตาก็ไม่ขวางตานั่นเรียกว่าเป็นธรรมถ้าอันไหนขวางหูของตาล้วนแล้วต้อะเป็นกิเลสเท่านั้นแหละมันขวางธรรม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 มันจะนอกเหนืออำ น, นาจของธรรมไปไหนกิเลสประเภทต่างๆถ้าเราตั้งใจกำจัดจริงๆระมัดระวงังรักษาจริงๆรักษาใจมันจะดิ้นไปไหนสติมีอยู่รักษาอยู่ปัญญามีอยู่ทำเครื่องกาจัดมีอยู่แล้วจะแท้ทำไมจึงปล่อยให้กิเลสมันถูดมันลากไปทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ทวงเอาแต่มรรคผลนิพพานจับ ความเพียรที่หาสติสตังไม่ได้นั้นมีอย่างที่ไหนทำอะไรต้องจริงต้องจังที่มาทำเรื่อยๆ่อนๆอ่อนแอได้หรือทำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทำอ่อนแอใครเป็นคนจริงจังยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกนี้เอามาเสมอดีการประกอบความภาพเพียรก็มีใครสลบทลายนาดพระพุทธเจ้ายากหรือไม่ยาก การขุดค้นธรรมะมาให้เป็นประโยชน์แก่โลกก็ลือว่าศาสดาแล้วเป็นผู้หนึ่งในความทุกข์ความยากความลําบากความทรมานทุกสิ่งทุกประการน้ในฝ่ายเหตุที่ทรงบําเพ็ญไม่มีใครสูู้ดถึงเรื่องฝ่ายผลที่ได้มาก็ไม่มีใครที่จะเลิ่ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปได้เป็นศาสดาถึงโลกทั้งสาม เ, าเราแค่จะเป็นครูสอนเราให้ได้เรื่องได้เรา ใกิเลสตัณหาอสุะคข้อสงบลงปายจิตใจจะได้เย็นด้วยสมาธิด้วยปัญญามันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ไม่ปรากฏนี่ทําอย่างไรเรามาลูปคลำอะไรกันอยู่เวลานี้ไม่จริงไม่จริงแล้วจะเห็นของจริงจากที่ไหนของจริงจริงทุกด้านไม่ว่าฝ่ายสุโมทยัยไม่ว่าฝ่ายมากต้องจริงทุกด้านสมุโมทัยเกิดขึ้นมาก็เป็นเกเรจริงๆ ผลที่ผลิดขึ้นมาจากสมุทัยก็เป็นทุก์จริงๆมากคือข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นสาคัญก็เป็นสติปัญญาจริงๆถ้าเราผิดขึ้นมาแล้วแก้กิเลสทุกประเภทได้จริงๆไม่สงสัยนิโรดความดับทุกข์เมื่อสติปัญญามีความสามารถมากน้อยเพียงไรในการแก้กิเลสออกโดยลาดับก็ต้องแสดงตัวขึ้นมา เป็นความดับทุกดยลำดับลาดับไปจนถึงขั้นสุดท้ายดับไม่มีเหลือเพราะอํานาจของมักสมบูรณ์แล้วนั่นท่านดําเนินอย่างนั้นเราไปหาผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่คน้นหาด้วยข้อปฏิบัติด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเปลี่ยนของเรานักคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่ในครั้งพุทธกาลก็เป็นของท่านไม่ใช่ของเรา กิเลสอยู่ที่ไหนเวลานี้ความมืดเปื้อความบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลามันอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่ไหนแ้วทีนี้การแก้กิเลสเพื่อทำให้แย้งซึงมมาผลนี้ผ่านเราจะแก้ที่ไหนถ้ามาแก้ที่ผูกขีมัดตัวเองอยู่เวลานี้ด้วยกิเลสประเภทต่างๆเต็มอยู่ภ า, ายในหัวใจนี้เราจะไปแก้ที่ไหนกันแก้ไม่แก้ด้วยความภาคเพียนไม่แก้ด้วยสติปัญญาจะ อ, าอะไรมาแก้ ชื่งมือนี้ท่านเคยแก้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วตลอดการไหนๆ ไ, ไม่เคยคือไม่เคยล้าสมัยถ้าคนที่ควรอยู่ในสมัยที่จะส่งมาผลนิพพานไว้ได้จะไม่ลอกเหนือจากความเพียรของผู้นั้นไปได้เลยนอกจากเป็นโมฆคพิสูุเท่านั้นครองผ้าเหลืองมาแล้วก็วาดตัวเป็นพระเอาดินเหนียวมาติดหัวแล้วกวาดตัวมีงอนไ้ท่านั้นแล้วก็โออาร ภาคภูมิในเพศของเปตงเพียงผ้าเหลืองเท่านั้นไม่ได้ภาคภูมิในข้อวัดปฏิบัติในความภาคเหย็นในความอาถารการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆให้มันพินาศทิ้หายไปโดยลํำ ด, ำ ด, ำ ด, ำดำับลา ด, ำดำับนี่ควรจะเป็นความภาคภูมิอย่างนี้มันไม่ได้ภาคภูมิเพราะไม่ทาไม่จริงไม่จังเราจะเอาอะไรมาเป็นจริงเป็นจังในตัวของเราถ้าทําไม่ ช่ำผัสช่ำพันภายในใจตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปถึงปัญญาธรรมยิ่โมกขธรรมเราจะหาความแน่ใจไว้วางใจหาสาระแก่นสารภายในจิตใจหรือสาระกลุ่ภายในใจเราได้อย่างไรนั่นเป็นเทศะหนึ่งเป็นประกาศให้โลกทราบเท่านั้นไม่ได้ยังไม่ได้เป็นความจริงความจังที่จะรับผลตอบแทนแต่ประการใดถ้าไม่ปฏิบัติใา้เป็นไปตามหลัก ทำที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้จิตมันฉลาดผ่าผลโลดเต้นไปไหนนักหนาเกินโลกเกิน้งสารเขาเกินอัดเกินทำไปที่ไหนถ้านำธรรมเข้ามาบังคับามาฝึกมาท ร, รมานมันต้องยอมจำนวนจนได้ไม่ยอมหาคนดีมาได้ในโลกนี้แย่ว่าอยู่เฉยให้เสียเวลาเปลาเปล่ า, ลาไม่เกิดประโยชน์ มาศึกษาอารมก็ต้องเอาจริงเอาจังให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นดับเห็นธรรมขึ้นภายในใจการสอนนี้ไม่ได้นำธรรมมาจากไหนออกมาจากใจนี่มาสอนหมู่เพื่อนไปแล้วการทำก็ทําที่นี่กําจัดจังที่นี่กิเลสมีอยู่ที่ใจกําจัดที่ใจด้วยอุบายวิธีใดก็นํามาสอนหมดไม่เคยปิดบังไม่รับเลยแม้แต่น้อยนี่จะให้เอาธรรมที่อื่นมาสอนเอามาไม่ได้ ป้ากฏที่ไหนเคยทํามาอย่างไรเคยรูเปเห็นอย่างไรก็เอาทํานั่นแหละมาแสดงให้หมูเพื่อนฟังซึ่งเป็นที่แน่ใจในตุ่แล้วไม่สงสัยใครจะจริงก็จริงห่วงอะไรห่วงป่าช้าการเกิดตายเคยเกิดเคยตายมากี่ภพ ก, กี่ชาติเพราะอํานาจของที่เดียดตัญหาภาวะควาวเย็นเรายังเห็นโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษอะไรทุกวันนี้ที่ทําให้ เกิดความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจตลอดถึงปรากฏเป็นท่าเป็นขันขึ้นมาให้แบกให้หามพร้อมด้วยอุปทานเหล่านี้ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสโทษความยิดความถือนี่ามาจากไหนไม่มีทางมาของทุกข์ทั้งหลายเอา้าลองปฏิบัติลองดูสีเอาให้จริงให้จังคำว่าสมาธิอย่าให้มีแต่ชื่ออย่าท่องแต่จนปากจะฉีกจะเฉยคล่องปากคลองใจแต่สมาธิภายในใจไม่ปรากฏ อย่าให้เป็นอย่างนั้นสมาธิท่านว่าอย่างไงแปลว่าอะไรบ้างสมาธิก็คือความสงบจิตตั้งมั่นเนี่ยว่าเป็นสมาธิทำไ ม, มเห็นอะไมันถึงจะตั้งมั่นเวลานี้จิตเป็นอย่างไรมันโยกมันทรลเลาเลยแหละแกิดกับพิเดนตนาอวตารที่ที่สุด ท, ท, ที่ลากไปอยู่ตลอดเวลาบางครับจิตใจที่มันฟุ้งเฟอ้อเหอเหอมนั้นเข้ามาสู่อัตถุธรรม ในวงสติในวงปัญญาบังคับให้อยู่ไม่ให้กิเลสฉุนลาวไปด้วยความมีสติด้วยดีทาไมจิตมันจะไม่ลงสู่ความสงบได้เมื่อกําจัดความคิดปรุงทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องยุ่ยแย่ขออควรจิตใจอยู่โดยลําดับดับจนกระทั่งมันปรุงขึ้นเรื่องราวอันใดที่เป็นกิเลสไม่ได้แล้วทําไมจะไม่เป็นธรรมคือสมาธิธรรมต้องปรากฏามีสติ สืบต่อกันไปโดยลําดับไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตกับสติไม่หม่หางห่หางจากกันเอาจริงเอาจังอยู่เช่นั้นจิตต้องสงบเป็นอื่นไปไม่ได้เมื่อสงบแล้วต้องต้องเห็นสมาธิแล้วทีนี้สมาธิเป็นอย่างนี้เนี่ยรู้เองคือความสงบนั่นแหละเป็นสมาธิ เริ่มต้นสงบก็เริ่มต้นเป็นสมาธิสงบมากเพียงไรจนเป็นบาทเป็นฐานแน่นหนามันคงก็ยิ่งเป็นสมาธิที่แน่นหนามันคงมากขึ้นดูพาย น, นาจิตใจนั่นเองไม่อยู่ในที่ไหนองค์สมาธิแท้ๆอยู่ที่นั่นการพิจารณาทางด้านปัญญาเราไม่ต้องหาเวลาเวลานอกจากจิตที่กําลังพักสงบเท่านั้นเวลาจะพิจารณา เวลาจะภาวนาให้สงบก็ต้องเอาจริงเอาจังอุบายวิธีใดที่จิตใจจะเป็นไปเพื่อความสงบเ้ื่อการกดขี่บังคับของใจก็ทำลงไปตามหลักธรรมที 19, <y g. S 1> ่ท่านสอนไว้เวลาจิตขยายตัวออกมาจากความสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาเป็นสำคัญพอจิตมีพื้นมีฐานเป็นความสงบบ้างแล้วมีทางที่จะคิดอ่านแตตองอะไรต่ออะไรได้ด้วย ความมีสติเป็นเครื่องควบคุมงานแห่งการพิจารณาของตนพิจารณาอะไรต้องให้จริงให้จังให้ความรู้ความจดจ่อต่อเนื่องเจตนาให้อยู่กับสิ่งนั้นจริงๆอิงยาสักแต่ว่าพิจารณาเอาเวล่ำเวลาเข้ามาเหยียบย่ำทําลายความจริงให้เสียไปหมดเอาความจริงพิจารณาความจริงสติเป็นความจริงปัญญาเป็นความจริงความเพียรเป็นความจริงย่อมจะติดตาม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 ต้องได้ผลการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าทางนอกทางในจิตใจมันติดมันคล้องอยู่อะไรเช่นรูปเป็นต้นเอามาคลี่คลายดูให้เห็นละเอียดละออกีก่ครั้งกี่หลไม่สำคัญสำคัญที่ความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงเป็นขั้นเป็นตอนไปนั่นแหละเป็นความถูกต้องถ้าย้อนเข้ามาพิจารณาภายในก็เป็นอย่างน่าเหมือนกันนางเนื้อเอ็นกระดูก มอกันไว้มีแต่กองกระดูกเต็มร่างนี้เรายังว่าเป็นของเสือของงามู้งหยิบคงดีว่าเป็นจัดเป็นบุคคลอยู่หรือมันโง่ขนาดไหนจิตที่เราให้ถูกกิเลสหลอกทมขี่คายลงไปจนไม่ถึงความขี้คายของธรรมก็แก้เป็นเรื่องแก้กิเลสความวงมงายของตัวเองนั่นแหละท้อนกรรมาฐานเคียาลุมานาฆานตาตะโจกเนี่ย แต่ดูผมก็ดูสิมันมีคุณค่ามีราคาอะไรเพราะที่จะหลงติดหลงพันมันนั่งนั่งหนาขนก็เหมือนกันแม้แต่ขนหมามันยังมีขนสัตว์มันยังมีผมขนเรามันจะวิเศษวิโสไปไหนเพอให้ติดให้พันมันออนับออนหนาเล็บฟันเนี่ของสัตว์มันก็มีจะมาวิเศษวิโสอะไตั้งแต่เล็บฟันของมนุษย์ล่ะหนังก็เหมือนกัน หนังสัตวมันก็มีมันมีเสียงที่สูงอะไรยิ่งกว่าหนังคนพอที่จะติดขวามผัวพันธ์อนำนักหานาพิจารณคลี่คลายดูให้มันเห็นชัดเจนดูข้างนอกแล้วดูข้างในพลิกไปพลิกมาดูทุกเล่ทุกเดี่ยมทุกสันทุกคมมันเห็นชัดเจนดูเข้าไปเนื้อกันดูจี้เห็นกระดูกแไง ว่าข้างในสลทายยิ่งเห็นแต่ของปฏิคูณโศกโรกเต็มไปหมดทั้งล่างนี้แล้วยังจะมาแบกมาหามอยู่ด้วยอุปทานความยึดมัน่นถือมั่นเยอะนั่นคือกิจยิเหลื อ, อมันดื้อต่อทำอย่างนั้นให้เรารู้มันไม่ยอมเห็นตามธรรมมันต้องฝืนไปแบบมันนั่นแหละทีนี้เราพูดยอมจำนวนที่เชื่อมันมันก็ต้องถูกลากถูกเข็ หูไทยไปทะเลอกออกเปิดไ ป, ไปด้วยความทุกข์ความลําบากความทรมานหาที่ยุติไม่ได้มีแต่ความฟุ้งซ่านมันารจิตใจพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี่แล้วจิตใจมันจะดิ้นไปไหนโลกธาตุนี้มันเหมือนกันหมดถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันก็มีอะไรมากกว่าการยิ่งกว่าการวิเสศษวิโสกว่ากันพูดถึงหนึ่งกองอันนี จ, จังทุกของอัตตามันก็เต็มไปหมดในร่างกายผมก็พูดถึงการ ควาปฏิคูณโฉโคกความเป็นอยู่ของมันก็ไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเต็มเพราะเรื่อความปฏิคุณโฉโคกเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ตาเนื้อดูก็ไม่ผิดแล้วเหตุนใดตาสติปัญญาซึ่งควรจะแหลมคมยิ่งกว่าตาใจนี้ทําไมจะไม่รู้มาเห็นความจริงเหล่านี้ที่มีอยู่ตนแยกเยอะพิจารณาให้เห็นชัดเจนลงไปในขณะพิจารณาไม่ต้องไปวุ่นไปห่วงกับเรื่องสมาธิคือความสงบ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 คิดข้างในก็เป็นสมุทยัยเมื่อคิดไปในทางกิละที่ถอนตร ง, ง, งกันข้ามกับคําว่าสวยว่างานตรงกันข้ามกับคําที่ว่าแน่นหนา ม, มันคงจิตใจย่อมปล่อยวางย่อมเพราะความเข้าใจในการพิจารณาตามหลักความจริงนี่การพิจารณาเป็นอย่างนั้นถือเป็นการเป็นงานจริงๆเรื่องของความสงบก็ดีเรื่องของปัญญาก็ดี เมื่อถึงขั้นตอนใดที่ควรดําเนินแบบใดดําเนินทางด้านปัญญาดําเนินทางด้านสมาธิก็เอากินเอาจังให้เป็นจิตให้เห็นความสงบของใส จ, จริงขณะที่ดําเนินทางด้านปัญญากตั้งใจพิจารณาคีดคาดูให้เห็นจางแจ่มแจกชัดเจองตามความจริงที่มีอยู่ภายในร่างกายของตแนและอื่นๆภายนอกนี้ทําไมจะไม่เห็นทําไมจะไม่รู้ของจริงมีอยู่ชัดชัด เราฝืนความกินเฉยเฉยอิจจัยมันจงเป็นไปไม่ได้ทาไมฝืนต้องรู้ร่างกายนี้ของเราก็เห็นอยู่แล้วความแปรสภาพก็เห็นอยู่ความทุกข์ความลําบากโรคภัยไข้เจ็บความหิวความกระหายหยุดไข้ได้ป่วยบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาท่านก็บอกว่าร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรคเนี่ยไม่ใช่รังแห่งความแน่นหนาทวรไม่ใช่รังแห่งความสวยความงาม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 ที่เป็นเครื่องฟาดฟันหันแหลกกับขีเลืดทั้งหลายแท้จริงก็ไม่ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนั้นขีเลืมันจะถลอกบอกเปิือกไปได้อย่างไรสติปัญดาของเราไม่มีมาใช้ต่อสู้กับมันบั้งมีแต่ยื่นด้ามดาบให้มันฟันเอาฟันเอาเจของไม่จับด้ามดาบฟันมันเลยปัญดาก็กลายเป็นสัญญาไปเสียหมายนั่นหมายนี้หอกลวงต่างเ่ง การที่จะนาปัญญาพิจารณาอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังไม่ยอมให้จิตหนีไปไหนเวลานี้จะทํางานตามหลักธรรมของพระเจ้าทํางานเพื่อความลื้อฟื้นจิตใจของคนที่ถูกกิเลสย่ำย่าทําลายจนจ ม, มิดให้โผล่ตัวขึ้นมาทำลายสิ่งที่ปกคลุมจิตใจให้มืดมนอนตะการนี้ให้มีความสว่างสวยขึ้นมารั้วสมาธิด้วยปัญญา ไม่หยุดไม่ถอยเป็นก็ตามตายก็ตามงานอื่นเราได้เคยผ่านมาหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระคุณพอที่จะให้เป็นเที่หรือเป็นที่ไว้อกไว้ใจได้เลยแต่งานภายในคืองานรื้อพกรู้ชาติงานกรรมาฐานนี่เป็นงานสาคัญที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาอสุวะรือพกรู้ชาติไห่มีเหลือเรียกว่างานล้างป่าช้า ชามคือความเกิดตายมีอยู่ภายในจิตกับร่างกายอันนี้ซึ่งเป็นผลแห่งภพแห่งชาติหรือเป็นผลแห่งกิเลสมันผิดขึ้นมาเราให้จริงให้จังิงไปผีนาลงไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรมันก็มีแต่นั้นเท่านั้นการปฏิบัติถ้าอดอแอแล้วไม่มีหวังนะ ต้องฝืนฝืนกับกิเลสจึงเรียกว่าต่อสู้กิเลสไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อสู้กิเลสมันอยากอย่างนั้นมันต้องการอย่างนั้นทำต้องฝืนทำให้เป็นอย่างนี้ต้องเป็นไปตามธรรมฝืนกิเลสให้เป็นไปตามธรรมจึงเรียกว่าต่อสู้กันไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าต่อสู้ความอยากรู้อยากเห็นมันเป็นเรื่องนิสัยของโลกนิสัยของกิเลสนั่นมันติ่มอยู่ตลอดเวลาจืล้นฝ so well ังแล้ว แต่วความอยากรู้อยากเห็นในด้านธรรมานี้มีจำนวนน้อยหรือมีกำลังน้อยยิ่งกว่าความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นฝ่ายกิเลสมันก็แพร่กิเลสเรื่อยๆไปพย า, จานจริงต้องต่อสู้ไม่เสียดายในความอยากรู้อยากเห็นฟันกิจลงไปหักห้ามกิดลงไปอย่าให้ฝืนอย่าให้มันฝืนเราได้เราต้องฝืนมันให้ได้ ได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองต่อไปเรื่อยๆครั้งที่สามเรื่อยๆแล้วมีกำลังมากขึ้นโดยลาดับทีนี้ไม่ถอยสติปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมให้มีความแก่กล้าสามารถได้จนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาฟังเิออกจากสติที่ล้มลุกคลานได้บ้างเสียบ้างในขั้นเริ่มแรบกบที่เรายังไม่เข้าใจในอัจในธรรมเพิ่งเริ่มฝึงหัดก็มีได้มีเสียแม้ เ, เจตนา เต็มอยู่เลยสมบูรณ์ก็ตามแต่เพราะอํานาจของกิเลสมันมีอยู่มากมีกําลังมากสามารถที่จะทําลายสติปัญญาให้ล่มจมหรือหายไปได้ในขณะในขณะขณะหนึ่งแต่พอรู้สึกเมื่อไรก็ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาตั้งมาหลายครั้งและผลก็ติดต่อสืบเนื่องกับเป็นลาดับทั้งฝ่ายสติตั้งฝ่ายปัญญาปัญญาได้พิจารณามากน้อยเพียงใดยิ่งมีความคล่องแคล่วตัวเองขึ้นเดยลำดมีกําลังความสามารถนักคล่องแคล่วไปเรื่อยๆ วิจาณาขั้นนี้คล่องแค่วและต่อไปขั้นนั้นคล่องแค่วคล่องแคลวไปหมดสติก็ติดตามงานโดยลำดับลำดับจนกลายเป็นสติกับปัญญาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกจากกันนั่นแหละทันเดียวมหาสติมหาปัญญายูกับผู้ที่อบรมบำรุงสติปัญญาอยู่โดยลำดับจะปรากฏพนทีใหี่เลยความุดทน จากกิเลสทั้งหลายเป็นความเลิ่ความประาิฏของใจดวงนั้นของบุคคลผู้นั้นการจมอยู่ในกิเลสตัณหาอสุวะจมมานานแล้วไม่เห็นมีความวิเศษวิโสอันใดเลยมีตั้งแต่ความทุกข์ความลำบากทรมานมาตั้งกี่กับกี่กันนับไม่ท้วนนี่โทษของมนนันควรจะเห็นแล้วคุณค่าของความหลุดพ้นจากทุกนี้ไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกทั้งสามนี้ จิตที่มันดีดมันดิ้นมันวุ่นวายสายแสะทางนู่นทั้งนี้อยู่ตลอดมานั้นเพราะเรื่องของกิเลสพาให้เป็นทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมพให้เป็นถ้าเรื่องธรรมพให้เป็นหนึ่งจิตใจต้องสงบเป็นสมาธิท้งสองจิตใจย่อมมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าด้วยการพินิจพิจารณาถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นจำการผิดออกมาได้โดยลําดับ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 นั่นหละความวิเศษอยู่ตรงนั้นจิตใจที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งมวลแล้วเป็นจิตใจที่วิเศษโดยไม่ต้องเสกสรรวิเศษหรือเลือดโลกเหนือโลกอยู่ที่ไหนก็เหนืออยู่อย่างนั้นเพราะไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยนี่เราจะเห็นได้อย่างชัดชัดเมื่อชิงยั่วยวนก่อกวนทั้งหลายซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสมันเป็นอยู่ภ า, า น, านจนิต ได้ออกไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรดิ้นไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรมายุ่งแย่กว่าควรมีแต่ขันล้วนๆซึ่งแสดงตนดูบยิบยับยิบยับยิบเพียงเท่านั้นเหมือนสัต์ไม่มีเจ้าของเพราะความคิดความปรุงทั้งตลอดทั้งยาความหมายทัญญาเอววิญญาณความรู้ก็สักแต่ว่าปรากฏขึ้นมาแล้วดับไปดับไปเพราะามันมีสิ่งที่เชื่อมโยงกันไม่มี ความสืบต่อท่านจึงเรียกว่าขันล้วนเพราะขันไม่มีกิเลสกันหาเป็นผู้ควบคุมเป็นเจ้าของถ้าทําเป็นเจ้าของทําก็มายึดเสียถ้ากิเลสเป็นเจ้าของเรายึดท่านจึงเรียกว่าอุปาทานณขันยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาสัญญาตั้งขานยิน ญ, ญาณของตนนอกจากนั้นก็นยังยึดมั่นถือมั่นทั้งใจทั้งขันนี่ด้วยว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของเรานี่หาก ถ้ากิเลสเป็นเจ้าของมันทิ้งหมดแต่ถ้าทําเป็นเจ้าของแล้วปล่อยหมดด้วยเหตุนี้ขันท่าหน้าจึงเป็นขันที่บริสุทธิ์คือเป็นขันล้วนๆไม่เจือปนด้วยกิเลสแม้ทําเองผู้ที่ใช้ขันนั้นก็ไม่ติดขันเมื่อขันห้าซึ่งเป็นสมบัติของกิเลส กิลได้สิ้นไปจากขันนี้แล้วจากใจนี้แล้วขันห้ากลกายมาเป็นเครื่องมือของธรรมไปแต่ธรรมคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนี้ย่อมไม่ยึดไม่ถือขันหา้หาห้าอาศัยขันห้าเป็นเครื่องใช้ทําประโยชน์ให้โลกสงสารเพียงแต่รับผิดชอบกันไปเท่านั้นความยึดมั่นถือมั่นความกังวลวุ่นวายอันเป็นสิ่งที่จะทจําปิดใจให้กับเพื่อนผุน ม, มัวนั้นไม่มีเหลือตั้งแต่ ความบริสุทธิ์ล้น้วนหนึ่งเหลือแต่ขันที่แสดงตัวยิ้มแย้มยิ้ย้มอยู่ตามภาษีภาษาของมันเท่านั้นเมื่อถึงการนั้นมันก็จลายตัวลงไปตามเรื่องใจก็รู้ไปแล้วชัดๆไม่สงสัยจิตก็บริสุทธิ์ล้นล้วนอยู่ตลอดเวลาอาการรีโกไม่มีผู้มาบังคับบัญชาจิตดวงนั้นสติสตันดาที่เคยบังคับบัญชาเคยรักษาบำรุงจิตดวงนั้นก็หมดหน้าที่ไป เป็นสติปัญญาที่เอามาใช้ในเพื่อประโยชน์แก่โลกเท่านั้นไม่ใช่สติปัญญาที่จะต้องไปปราบตามหรือแก้กิเลสประเภทต่างๆเหมือนแต่ก่อนแล้วสติปัญญาประเภทนี้ก็หมดภาระที่จะรักษาใจอีกต่อไปเพราะใจเป็นธรรมชาติที่เบื่อสุ์เหนือแล้วสติปัญญาเป็นสมมตินไงไม่ว่าจะเป็นขั้นใดของสติปัญญาเป็นสมมุติทั้งนั้นคือเครื่องแก้กิเลสเมือ่อกิเลสได้สิ้นสุดลงไปจาก ใจิตใจแล้วสติปัญญาก็หมดหน้าที่ไปจะนำมาใช้เฉพาะเป็นการเปลี่ยนเวลาที่เห็นต้องวรแะ่ใช้ในงานในการ น, น, นั้นเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สงสารเท่านั้นเอ ง, องไม่มีอะไรนั่นความประเสริฐประเสริฐอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ไหนก็ไม่มีอะไรกวนใจหรือว่าพ้นโทษไม่ถูกควบคุมเหมือนแต่ก่อน ก่อต้องควบคุมด้วยสติปัญญานอกจากนั้นยังกิเลสยังมาควบคุมอีกแต่ทำละกิเลสไม่ได้กิเลสจะต้องมาควบคุมกดขีบ่บังคับสติปัญญาต้องเน้น ม, มัดระวังรักษาใจอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นก็ถูกย่าย้ํายี่ถูกทําลายจนได้ในหละการประกอบความเพียรให้เห็นความจริงเห็นที่ตรงนี้ไม่เห็นที่ตรงไหนเอาให้จริงให้จางลงที่นี้ อะไเห็นที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะแย้งไปที่ไหนได้วะท่านลงได้รู้ได้เห็นจริงแล้วไม่มีที่แยง่งจะต้องเป็นไปตามที่ว่านจังนะจริงอย่างที่ว่าขันล้วนล้วนนี่จําให้ดีปฏิบัติไปจิตก็จิตล้วนลวนความบริสุทธิ์ล้วนลวนขันก็ขันล้วนล้วนดูด้วยกันแต่ไม่ค้าเข้ากันนอกจากไม่ค้าเร้าแล้วยังไม่ยืด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 เกิิเลต่อสู้กิเลสความอยากจะอยากขึ้นมาประเภทใดใคร่ควรลี้ข่ายดูให้เห็นจัดความอยากนี้เป็นกิเลสหรือความอยากนี้เป็นธรรมส่วนมากถ้าเป็นความอยากแล้วมากจะเป็นกิเลสเสมอความอยากในธรรมเพียงแสดงขึ้นก็รูเห็นอยากประกอบความภาคความเพียรอยากหลุดพ้นมีความภาคความเพียงเป็นเครื่องสนับสนุนมีความเพียร เป็นกําลังขึ้นโดยลําดับเพราะศรัทธาความเชื่อความหวังพ้นทุกข์มีกําลังมากความเป็นเหตุให้ฉุดลา่าความเพียรไปโดยลําดับและมีกําลังมากเช่นเดียวกันนี่ความอยากประเภทเหล่านี้เป็นความเป็นมากไม่ใช่ความอยากที่เป็นพิเัญหาอาสระขุดค้นลองให้เห็นจริงเห็นจังภายในตนได้หรือรู้ได้เห็นแล้วตัวนี้แก๊แ ก, แ, กแล้วท่า น, ด, านาาดับท่านท่านปัาดับเท่าจไม่ได้ตัวเทวะท่านนี่